มาจากธรรมรานในสวนกี่คนนะสามนะ<า><า>จะมีพี่ที่จะไปดูอีกะคนแล้ค่ะดีจะได้มีที่ปฏิบัติกันฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต้องนำมาไปปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ยังไม่เกิดผลผลจะเกิดจากการปฏิบัติการฟังเป็นการ ศึกษาให้รู้ว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศีลก็ศีลแปดถ้าจะปฏิบัติธรรมก็ต้องศีลแปดถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ศีลห้าถ้าจะเป็นนักบุญก็ศีลห้า ถ้าจะเป็นนักบวชก็ศีลแปดนักบุญก็จะทําบุญการรักษาศีลห้าไปแค่สวรรค์ชั้นเทพถ้านักบวชก็ไปนิพพานถ้านักบวชก็ต้องศีลแปดไม่ไปไม่ไปสวรรค์ชั้นเทพไปสวรรค์ชั้นพรหมไปสวรรค์ชั้นอริยเจ้าแบ่งไว้สองระดับใน ในในภาคปฏิบัติของพุทธศาส น, นิกชนผูท้ที่ยังมีภารกิจทางครอบครัวมีลูกมีเต้ามีอะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องกันทำอะไรกันดูแลกันไม่สามารถไปปฏิบัติได้เต็มที่ก็เป็นนักบุญไปก่อนทำบุญ ล้วก็ารักษาศีลห้าก็จะทำให้ได้ไปสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆทำมากก็ได้ชั้นสูงทำน้อยก็ได้ชั้นต่ำสำหรับคนที่ไม่มีภารกิจไม่มีภาระผูกพันคนที่เบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิด คนที่เบื่อกับความสุขชั่วคราวทางร่างกายก็จะไปบวชกันไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เป็นนักบวชนักบวชก็ต้องถือศีลแปดยุติกิจกรรมของนักบุญ กิจกรรมของนักบุญก็คื อ, อยังไปเที่ยวไหนได้นักบุญนี่ไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงไปดูมหัศรสพได้แต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยงามได้ร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยาได้อย่างหาความสุขทางร่างกายได้สาหรับนักบุญนักบุญนี้ เขายังต้องอาศัยความสุขทางร่างกายเป็นเครื่องอยู่อาศัยเพราะเขายังไม่สามารถไปเป็นนักบวญได้อาจจะเป็นเพราะไม่มีกําลังพอไม่มีกําลังที่จะรักษาศีลแปดหรือมีภารกิจ <c oughs> ที่จะต้องอยู่ในเพศของนักบุญไปก่อนมีครอบครัว มีลูกมีเต้ามีอะไรต่างๆภูกพันทำให้ไม่สามารถไปปลีกวิเวกไปอยู่แบบนักบวชได้ก็เป็นนักบุญไปก่อนดีกว่าเป็นนักบาปนักบาปก็พวกที่ไปพัทยาใต้นี่นักบาป ถ้าไปกลางวันไม่เป็นไรอย่าไปกลางคกลางวันยังไปซื้อข้าวซื้อของได้แต่ถ้ากลางคืนคนี่ก็ไปซื้อเนื้อกันทาไปซื้อเนื้อซื้อน้ํากันซื้อไปนะ้าไปไปซื้อน้ําเมาดื่มไปหาความสุขทางร่างกายกัน อย่างที่วันก่อนโยมคนหนึ่งเขาพูดเล้ฟังว่าคนดีนักกุญไปสวรรค์กันแต่นักบาปก็ไปพัทยากันนักบาป ก, ก็คือไม่รักษาศีลห้าเลยดื่มสุรายาเมาประพฤติผิดประเวณีนะพัทยาเป็นแหล่งของกับ ที่ไปประพฤติผิดประเวณีกันไม่ต้องเป็นสามีไม่ต้องเป็นภรรยากันการประพฤติถูกประเพณีก็คือต้องมีสามีต้องเป็นภรรยากันอย่างนี้เรียกว่าเป็นไม่ผิดประเพณีสู่ขอการแต่งงานกันให้เป็นสั์เป็นส่วนให้เป็นที่รับรู้ของญาติสนิทมิตสหายว่าเป็นคู่ครองกัน อย่างนี้เรียกว่าเป็นการประพฤติถูกตามประเพณีการประพฤติไม่ถูกประเพณีก็คือเหมือนสุนัขเดือนเก้ <c oughs> เจอตัวไหนก็ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเป็นแฟนกันเลยเป็นสามีเป็นภรรยากันเลย <c oughs> แล้วก็เป็นกันชั่วคราว <c oughs> เดี๋ยวพอไปเจอเอีกตัวนึ่งก็ได้ตัวใหม่เป็นแฟนอย่างนี้เรียกว่า นักบาปไม่ใช่นักบุญนักบุญต้องรักษาศีลห้าให้ได้ศีลกามนี่ก็ต้องเป็นสามีเป็นภรรยากันถ้ายังไม่เป็นก็อย่าเพึ่งไปริอย่าเพึ่งไปมีอย่าเพึ่งไปทำตายไปจะได้ไม่ต้องไปเป็นเดะชะนี่พวกสุนัขเดือนเก้าเห็น เขาไม่มีศีลข้อสามกันเดือนเก้านี้เขาจะไล่กันว่อนไปหมดเลยทั้งคืนเอากันทั้งคืน <c oughs> พอเขาเกิดการมารวมขึ้นมาเขาก็หาการวิธีระบายด้วยการเจอไข่ก็ได้พอเจอไข่ก็ขอระบายการอารมณ์กับเขาไป พเขาไม่มีสติปัญญาพอที่จะแยกแยะว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป<ม>เขาก็เลยทําไปตามอารมณ์ของเขาเนี่ย yeah. แต่สําหรับคนที่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดานี่เขารู้มีสติมีปัญญาเขาสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาป อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเขาก็เลยไม่ทำในสิ่งที่เป็นบาปที่เป็นโทษไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ดื่มสุรายางเมาไม่รักทรัพย์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่พูดปดนี่คุณสมบัติของนักบุญ คือไม่ทำบาปแล้วก็ทำบุญด้วยการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองที่มีเหลือกินเหลือใช้ถ้าเรายังไม่มีเหลือกินเหลือใช้ก็นดไว้ก่อนก็ได้เรื่องทำบุญเช่นเรายังปากกัดตีนทีดอยู่หาเช้ากินข้าม แต่ถ้าอยากจะทำก็ยังพอจะทำได้ข้าวทัพทีหนึ่งก็ยังเป็นบุญอยู่ถ้าไม่รู้จะให้อะไรให้ข้าววาันละสักทัพทีหนึ่งก็ยังเป็นบุญอยู่ดีกว่าไม่ได้ให้เลยอาจให้ไปก่อนเล็กๆน้อยๆให้ทุกวันแล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วพอมีมากมันก็จะให้มากได้ ถ้าอ้างว่าไม่มีเลยก็จะไม่ให้อยู่เรื่อ ย, อยพอมีมากก็จะไม่อยากจะให้พอาะหวงเพราะเสียดายก็อาจจะไม่ได้ทำบุญก็ได้่างนั้นไม่ว่าเราจะมีมากมีน้อยเราสามารถให้กันได้ทุกคนให้ไปทีละเล็กเทยน้อยบาทสองบาท ทำทีละบาทสองบาททําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมรรคกายเป็นร้อยสองร้อยเป็นพันสองพันเป็นมาได้ไม่จําเป็นจะต้องรอให้มีเงินพันแล้วค่อยมาทําพราบางทีพอมีเงินพันแล้วมันเสียดายถ้าไม่เคย ท, ทุกวันทํำทีละเล็กทีละน้อยทีลบาทสองบาทพอมีมากก็ทําได้ไม่เสียดายพอเห็นประโยชน์จากการทําบุญ ทำแล้วมีความสุขใจมีความสบายใจมีความภูมิใจมีความภูมิใจที่ได้เสียสละประโยชน์สุขของตนให้แก่ผู้อื่นนี่คือระดับแรกของของผู้ที่เข้าหาพระพุทธศาสนาคือทำบุญรักษาศีลห้าไปก่อน ทำบุญทำทานรักษาศีลห้าไปแล้วก็ถ้ามีเวลาตอนยังคืนก่อนนอนก็สวดมนต์ไปไหว้พระสวดมนต์ไปเป็นการหัดภาวนาหัดเจริญสติหัดนั่งสมาธิด้วยการนั่งสวดมนต์เวลานั่งสวดมนต์ใจก็ต้องจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์อันนี้ก็เรียกว่าเจริญสติ ธรรมานุสติสนีนส่สวดมนต์สวดพระธรรมคําสอนก็เรียกว่าธรมมานุสติหรือจะสวดบทพระพุทธคุณก็เรียกว่าพุทธานุสติบทสวดมนต์นี้เขาจะมี3 า, ามสติด้วยกันพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแล้วก็มีการสวดคำสอนต่างๆอันนั้นก็จะเป็นปัญญา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 ถ้าสวดไปเราก็จะได้ปัญญาเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานี้มันมีจุดจบมันไม่ได้ไปแบบไม่มีวันจบ เ, เมื่อเรารู้ว่าจะมีวันจบเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมรับกับเวลาที่เราจะต้องไปจากโลกนี้ต่อไป เราก็จะได้เตรียมบุญเราจะได้ซื้อประกันภัยประกันภัยอะไรก็คือไม่ให้ไปเกิดในอบายสิ่งที่เป็นประกันภัยที่จะทําให้เราไม่ไปเกิดในอบายก็คือการไม่ทําบาสนี่เองการรักษาศีลห้ า, าการทําบุญก็เป็นการซื้อตั๋วละบิน ที่พักเราจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันเราจะไปโลกทิปกันเวลาที่เราทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วถ้าเราไม่ตีตัว๋วไม่ไม่เตรียมพา ส, สปอร์ตวีซ่าไม่จองโรงแรมไม่เตรียมเงินเยวเวลาเราออกจากโลกนี้ไปเราจะไม่ได้ไปท่องเที่ยวกันเราจะไปเป็นขอทานอยู่ตาม ตามวัดตามวากันไปรอส่วนบุญของผู้ที่มาทาบุญอุทิศให้กันเนีย่ยตอนนี้อาจจะมีพวกที่ไม่ได้ทาบุญไม่ได้รักษาศีลกำลังมารอรับส่วนบุญของพวกเราอยู่ก็ได้พวกนี้เป็นพวกที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเรื่องของการซื้อประกันภัยไม่รักษาศีลห้ากัน ไม่ทำบุญกันเอาแต่จะเอาหาหาเงินหาทองหาความสุขสส่ตัวเองพอตายไปก็เลยไม่มีอะไรติดตัวไปประกันก็ไม่ได้ซื้อเมื่อไม่มีประกันก็เขาก็ดึงไปอบายไปเป็นเปรตเปรตนี่ก็คือเนี่ยผู้ที่ไม่ทำบุญ พวกที่ไม่ทที่ไม่รักษาศีลรอตายไปก็เลยต้องมาป้วนเปื้นอยู่แถวบริเวณวัดมารอรับส่วนบุญของญาติพี่น้องที่ทำบุญอยู่ที่ไทยเหมือนขอทานข้างถนนแต่พวกที่ทำบุญพวกที่รักษาศีลได้เขาก็ขึ้นเครื่องไปไปอเมริกาไปยุโรป ไปเที่ยวไปโลกทิพย์ไปสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะเขาไหว้พระสวดมนต์แล้วเขามีธรรมะคอยเตือนใจสอนใจว่าเกิดมาแล้ว <'s> เดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเม่รู้ว่าจะต้องจากสิ่งต่างๆไปก็ไปหวงมันทำไม เอาไปทำบุญดีกว่าเอาไปซื้อตั๋วเดบินเอาไปจองที่พักเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินเป็นเป็นเงินที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นทรัพย์ภายในเพื่อที่จะเอาติดตัวไปเวลาที่ออกเดินทางจากโลกนี้ไปให้ท่องบทนี้ไว้แล้วมันจะทำให้เราจะได้ คอยทำบุญอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราทําบุญคอยเราคิดว่าเรากําลังซื้อตั๋วเครื่องบินกันกําลังจองที่พักโรงแรมกันกําลังเปลี่ยนเงินสกุลดอนกันเงินสกุลไทยนี้ไปใช้ที่ไหนไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นสกุลดอนอดอนนี้ไปได้ทั่วโลก อ, อยู่ที่ไหนก็ใช้ได้เราไปโลกทิพย์เราก็ต้อง เปลี่ยนเงินทรัพย์สมบัติเงินทองไปเป็นบุญกันเป็นทรัพย์ภายในเรียกว่าบุญการทำบุญนี้ก็เพื่อเป็นการซื้อบุญซื้อเงินสกุลที่เราจะไปใช้เวลาที่เราออกเดินทางจากโลกนี้ไปจ่ายเบี้ยรประกันเบี้ยรประกันก็คือประกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็น เดลชะน์ Char, ไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นผีไม่ต้องไปนรกถ้าซื้อประกันประกันภัยห้าข้อศีลห้าข้อนี้รับรองได้ว่าตายไปแล้วจะไม่ไปอย่างแน่นอนนี่คือประกันภัยของของบริษัทของพุทธบริษัทบริษัทประกันภยัยที่มา วัดนี้ก็เพื่อมาซื้อประกันกันมาจ่ายเบี้ยประกันกันแล้วก็มาจองโรงแรมมาจองตั๋วเรือบินอยากจะไปเที่ยวสวรรค์ชั้นไหนก็เลือกได้มีหลายชั้นด้วยกัน16ชั้นใช่ไหมสวรรค์เนี่ยสวรรค์ชั้นเทพนี่มีสบชั้นงไงก็เหมือนโรงแรมก็มีห้าดาวโรงแรมระห้าดาวอยากจะอยู่โรงแรมระดับไหนก็เลือกจองเอาได้ แต่ค่าจองมันก็แพงต่างกันโรงแรม5ดาวก็แพงหน่อยห้าหนึ่งดาวก็ถูกหน่อย <c oughs> นี้เป็นเรื่องจริงนน่ไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ได้พูดเล่นๆใจเรานี่จะเป็นผู้ที่ต้องออกเดินทางต่อไปถึงเวลาแล้วจะไปจะบอกไม่พร้อมก็ไม่ได้จะบอกว่ายังไม่ได้ตีตั๋วก็ไม่ได้นะถึงเวลาเขา ให้เราไปเราก็ต้องไปอย่างเดียว <c oughs> ยงรีบตีตั๋วกันไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะไปเมื่อไหร่กันไม่มีใครรู้ว่าจะไปวันนี้หรือไปสิบปีข้างหน้าหรือไปห้าสิบปีข้างหน้าเีย่ยเมื่อไม่กี่วันก็มีลูกศิษย์ใส่บาตรทุกประจําจอยู่อยู่ดีๆก็ไปจมน้ำตายอายุแค่4ี่สิบเท่านัเอง ไม่เกิดคิดว่าจะตายเลยแต่อย่างน้อยเขาก็ยังดีเขาทําบุญเป็นประจำเขาไม่ได้ทําทุกวันแต่ก็ทําอาทิตย์ละครั้ง ท, ทําทีก็ทําเยอะๆทําเหมือนกับว่ารวมกันเลย ท, ทําทีก็เหมือนก็ได้ทำเจ็ดวันเขาทําวันเกิดเขาเขาเกิดวันพุธเขาก็เลยทําทําทุกวันพุธก็ ท, ทําทีเยอะๆเลยไม่ใช่ทํา อยอย่างน้อยเขาก็ได้ตีตัว๋วได้มีบุญพาเขาไปละส่วนจะไปได้จะไปได้ไปหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าซื้อประกันหรือเปล่าถ้าไม่ได้ซื้อประกันก็บุญที่ทำไว้ยังต้องรอให้กลับมาเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะได้ผลเพราะว่าตายไปถ้าไม่ได้ซื้อประกันก็ต้องไปเกิดในอบายอยู่ดี ถึงแม้ว่าจะทำบุญมากมายเพียงไรก็ตามบุญนี้ไม่เป็นตัวประกันของการที่จะไม่ให้ไปเกิดในอบายได้บุญนี้เป็นเพียงทรัพย์ที่จะสนับสนุนให้เรามีทรัพย์ใช้ถ้าไปอบายก็ยังเหมือนคนที่มีเงินไปติดคุกอะ่ะก็ยังดีกว่าคนไม่มีเงินคนมีเงินไปติดคุกอยากจะกินอะไรอยากจะซื้ออะไรก็ฝากยามซื้อให้ได้ ให้สินบนเขาหน่อยจ้างเขาหน่อยเห็นคนที่คนรวยไปติดคุกเขาบอกนะเขาผัดจานละห้าร้อยหรือรอะไรเขามีเงินซื้อเขาก็ยังซื้อได้เย <c oughs> พวกที่ทําบุญแต่ไม่ได้ทําไม่ได้ซื้อประกรัน <c oughs> ก็เหมือนพวกที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นหมาสวยๆเป็นนกสวยๆเนี่ยแล้วเศรษฐีก็ซื้อไปเลี้ยงเป็นลูกเลย หมามังตัวมีห้องแอร์นอนนอนกับเจ้าของเลยนี่พวกนี้เป็นพวกที่ไม่ซื้อประกันจองตัว๋วจองตัว๋วจองที่พักตามโรงแรมต่างๆก็เลยต้องไปอยู่โรงแรมห้าดาวในแต่ในในคราบของสุนัขแทนที่จะเป็นเทพหรือแทนที่จะมาเป็นมนุษย์ก็เลยทำบุญอย่างเดียว ยังต้องไปอบายอยู่นะถ้าไม่อยากจะไปอบายนี่ต้องรักษาศีลห้าต้องไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดปรเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาความจริงการดื่มสุรายาเมานี้มันไม่เป็นบาปแต่มันจะเป็นตัวที่ทาให้ไปทำบาปได้ง่ายขึ้นพอเมาแล้วมันความอายมันก็หมดไปฮิริโอตปะมันก็ไม่มี ความอายบาปความกลัวบาปมันจะหายไปคนที่เมาแล้วมันไม่มันลืมไปแล้วลืมเรื่องบาปเรื่องบุญนะมันก็เลยทำให้กล้าทาบาปคนที่ทำบาปบางทีก็ต้องดื่มสุราย้อมใจก่อนใช่บางทีเขาไปรับจ้างฆ่าคนอย่างนี้ก่อนจะไปฆ่าเขาก็ต้องกินเหล้าสัหน่อยก่อนกินย้อมใจไม่งั้นเดี๋ยวฮิริโอ ต, ตะปะมันจะมายับยั้งได้ เฮ้ยมันอย่าทำนะบาปนะแต่ถ้าพอกินสุราจะไม่มีสติแล้วฮิลิโอตับ ป, ปะมามันก็ไม่ได้มันก็ไม่รู้เรื่องแนะ้วเออถ้าอยากจะดื่มสุราโดยที่ไม่ทำบาปก็ยังทำได้เอาผูกเอาโซ่มาลัดไว้กับเตียงก็แล้วกันดื่มใส่ก็นอนเล ย, เ อ, ยอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปทำบาป แต่ก็ไม่ดีเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลามานั่งไหว้พระสวดมนต์กลับมาดื่มสุราแทนไหว้พระสวดมนต์ก็จะได้หัดภาวนาเผื่อต่อไปอยากจะไปเป็นนักบวชจะได้ไปเป็นได้จะไปเป็นเพราะว่าการไปเป็นนักบวชนี่มันดีกว่าเป็นนักบุญนักบวญนี่ไปไป ส, สวรรค์ที่สูงกว่า แล้วก็ไปสวรรค์ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดนะสวรรค์ชั้นนักบุญนี่ยังไปแล้วยังต้องกลับมาเกิดใหม่พอเงินหมดไปเที่ยวหมดจะทำไงก็ต้องกลับมาทำงานมาหาเงินใหม่พวกที่ตายไปแล้วไปสวรรค์นี้พอบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญมารักษาศีลใหม่ ก็จะเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆมันมันเป็นนิสัยไงพอเคยทําบุญคอยรักษาศีลพอกลับมามันก็จะมาทําบุญมารักษาศีลต่อแล้วพอตายไปมันก็ไปเป็นเทวดาต่อแล้วพอกลับจากเทวดามามันเป็นมนุษย์ก็มาทําบุญรักษาศีลต่อมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีอะไรมา มากระตุ้นว่าเอ้ยเราน่าจะพัฒนาจากการเป็นนักบุญไปเป็นนักบวชนะใช่นอาจจะเห็นความแก่ความเจ็บความตายสูญเสียคนที่รักอะไรขึ้นมาทำให้เห็นว่ามันทุกข์นะการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆไปเป็นนักบวชดีกว่าจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันก็อาจจะต้องมีอะไรมากระตุ้นอย่างพระพุทธเจ้าก็ตอนต้นก็เป็นนักบุญ อยู่ในวังก็ทำบุญทำทานรักษาศีลไปแต่พอมาเที่ยวข้างนอกวังเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็เลยมีอะไรมากระตุ้นาให้ต่อไปจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะจะทำอะไรไม่ได้นะั้นตอนนั้นความสุขทางร่างกายไม่ไดนะ้ก็เลยไม่อยากจะเจอความแก่ความเจ็บความตาย ก็เห็นนักบวชก็เลยถามเขาทาอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าพวกนี้เขาไปหาทางที่จะได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายท่านก็เลยอยากจะไปทางนั้นพวกที่เป็นนักบุญต่อไปก็จะเป็นนักบวชเดี๋ยวเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแล้วได้ฟังเทศฟังธรรม ในรู้ว่าวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับม า, มาเกิดมาแก่มาเจิบมาตายเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็อยากจะไปกันเองตอนต้นก็เป็นนักบุญไปก่อนถ้าเป็นพวกนักบาสนี้ไม่มีวันพวกนี้จะไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่เห็นแต่ความอยากเห็นแต่จะทำอะไรตามความอยากตามความโลภเท่านั้นบาบุญก็ไม่สนใจ ต้องเป็นนักบุญก่อนถึงจะขยับขึ้นไปเป็นนักบวชได้พวกนักบาปก็อาจจะมาเป็นนักบุญได้ถ้าไปคบกับนักบุญนักบุญช่วยมาทำบุญทำบ่อยๆเข้าก็อาจจะติดใจก็ได้ชอบขึ้นมาเพราะทำบุญนี่มันมีความสุขกว่าทำบาปต่อไปพวกนักบุญก็จะเห็นความสาคัญของการ ถือศีล8ปเห็นความสำคัญของการภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็ต่อไปก็จะหัดรักษาศีล8กันวันพร ะ, ะก็มารักษาศีล8ปตามที่พระเจ้าทรงสอนวันธรรมดาทรมาหากินก็รักษาศีลห้าไป วันพระวันหยุดทํางานก็มารักษาศีลแปสมัยนี้วันหยุดทํางานของเราไม่ตรงกับวันพระเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระเป็นวันหยุดทํางานไปวันไหนเป็นวันหยุดทํางานเราก็ต้องถือว่าเป็นวันพระของเราแล้วเราก็ต้องมาถือศีลแปดกันไปอยู่วัดกันไปอยู่ที่สงบกันปิดทีวีปิดเครื่องเสียงปิดอะไรต่างๆ ยุติการหาความสุขทางร่างกายรับประทานอาหารพอให้อยู่ได้ก็พอไม่ต้องรับประทานมากเอาแค่เที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ต้องรับประทานแฟนก็ขอลาหนึ่งวันแยกกันนอนหนึ่งคืนคนต่างนอนกันหลังจะเอาเวลานอนนี้มานั่งสมาธิมาภาวนามาทําใจให้สงบ เพราะความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบนี้มันดีกว่าร่วมหลับนอนกับแฟนนัตติสันติพลังสุขขังสุขสุขใดในโลกนี้สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ไม่มีความสุขดัใดในโลกนี้ที่จะสู้ความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้เวลานั่งสมาธิใจสงบแล้ว จะไปถึงสวรรค์ชั้นนิพพานเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นสวรรค์ชั่วคราวเท่านั้นเองกัน่ะที่อยู่ในสมาธิแต่พอเห็นหนังตัวอย่างของนิพพานว่าเป็นยังไงก็จะติดใจและอยากจะให้มันสงบไปตลอดเวลาก็ต้องออกมาใช้ปัญญากำจับตัวที่คอยดึงใจให้ออกจากสวรรค์ตัวที่จะคอยดึงใจให้ออกจากสวรรค์ก็คือ ความอยากต่างๆนี่เองพออยากอะไรปุ๊บนี้ใจร้อนขึ้นมาทันทีออกจากสมาธิเย็นๆอยู่พอเห็นกาแฟนี่อยากขึ้นมาเห็นตู้เย็นนี่อยากจะเปิดดูว่ามีอะไรกินพออยากปุ๊บนี้ความสงบความเย็นใจหายไปเลยถ้าอยากจะให้สงบให้เย็นต่อไปก็ต้องอย่าไปทําตามความอยากต้องเห็นว่าการทาตามความอยาก นำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขเพราะสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ดื่มกาแฟหมดเดี๋ยวก็เกิดความอยากดื่มใหม่พอไม่มีกาแฟดื่มก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่อยากดื่มเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องกาแฟมีแฟนพอแฟนทิ้งเราไปก็ทุกข์ อยู่คนเดียวเหงาคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุข mm. ก็ไปมีแฟนกันพอมีแฟนแล้วเดี๋ยวแฟนจากเราไปก็ทุกข์อีกเพราะทุกอย่างจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเรานี่คือปัญญาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราคิดเวลาอยากได้อะไรให้คิดว่าของที่เราอยากได้นั้นเดี๋ยวต้องจากเราไปนะได้มาแล้วมันต้องจากเราไป หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปถ้าเรารู้ว่ามันจะทำให้เราทุกข์เราไปเอามันมาทำไมอ่ะก็ เ, เรียวหาเหามาใส่หัวทำไมอยากจะเหามาใส่หัวไหมหัวเราซาดซาดอยู่มันไม่สบายต้องเอาเหามาให้คันนะจะได้เก่า น, ะนั่นแหละเวลาเราอยากได้อะไรขอให้คิดว่าเรากาลังไปหาเหามาใส่หัวหาความทุกข์มาใส่ใจ ได้มาอะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียใจกับสิ่งที่ได้มานี่คือปัญญาหลังจากที่เราได้ความสงบแล้วถ้าเราอยากจะรักษาความสงบให้สงบต่อไปเราก็ต้องกาจัดตัวที่จะมาทําลายความสงบก็คือตัวความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าการมตัญหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่มอยากรวย อยากใหญ่อยากโตนี่เรียกว่าภาวะตัหาวิภาวะตันหาก็คือความอยากไม่ให้ความใหญ่ความโตนั้นเสื่อมไปหมดไปไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายความอยากเหล่านี้ต้องกำจัดมันอย่าให้มันมีภายในใจร่างกายมันจะแก่ก็ให้มันแก่ไปมันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปมันจะตายก็ให้มันตายไป แล้วเราจะไม่ทุกข์ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเราปล่อยมันได้ที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายมันก็เลยทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากเราจะเฉยๆเหมือนเวลาคนอื่นตายนี่เราทรมานไหเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ตายใช่ตายก็ตายไป็เรื่องของเขาร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายเรามันก็เหมือนร่างกายของคนอื่น่ แต่เราไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาก็เลยรักเลยห่วงเลยไม่อยากให้มันตายพอมันจะตายก็เลยทรมานใจด้วยความอยากไม่ได้ทรมานใจด้วยความตายความตายไม่ได้ทำให้ใจเราทรมานตัวความอยากไม่ตายที่ทำให้เราทรมานถ้าเรามีสติมีสมาธิมีมีปัญญารู้ว่าอย่าไปทำตามความอยากหยุดความอยากเสียทาใจให้เฉยเฉยเสีย แล้วความตายจะไม่เป็นปนัญหาอะไรเหมือนกับความตายของคนอื่นเลยเพราะเราไม่ได้ตายร่างกายไม่ใช่เราเราไปหลงคิดว่ามันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเท่านั้นเองก็เลยทําให้เรายุดติดคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายตายเราก็คิดว่าเราจะตายมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาพอเราได้ได้ปัญญาจากพระพุทธเจ้าบอกว่าเฮ้ยร่างกายไม่ใช่เราเนาะ ร่างกายก็เหมือนร่างกายของคนอื่นนะเวลาร่างกายคนอื่นก็ตายเราไม่เดือดร้อนอัร่างกายนี้ก็แบเหมือนกันเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนได้เราอยากไปอยากให้มันไม่ตายเท่า น, นั้นเองให้มันตายไปเลยเอมึงอยากจะตายตายไปเลยกูไม่ได้ตายไปกับมึงไปกลัวอะไรใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ไปต่อทิ้งร่างกายไปไป ไปอบายหรือไปสวรรค์สวรรค์ชั่วคราวหรือสวรรค์ถาวรเนี่ยมีสามที่ไปกันถ้าไม่ซื้อประกันก็ไปอบายถ้าซื้อประกันทำบุญก็ไปสวรรค์ชั่วคราวถ้าถ้าภาวนามีปัญญามีธรรมะก็ไปสวรรค์ถาวรไปนิพพาน ที่ไปของพวกเราเวลาที่เราทิ้งร่างกายนี้ไปมีสามที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี่ท่านไปสวรรค์ชั้นถาวรอนันไปแบบไม่ต้องกลับมาเกิดส่วนพวกเราถ้ายังไปไม่ถึงจุดนั้นก็ถ้าซื้อประกันแล้วทำบุญก็ไปสวรรค์กลับมาจากสวรรค์ก็มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าไม่ซื้อประกันก็อาจจะไปเป็นหมาเป็นนกเป็นปลาสว ย, สวย ให้เขาออกไปเลี้ยงถ้าทําบุญถ้าประกันก็ไม่ซื้อบุญก็ไม่ทําก็ไปเป็นหมาขี่เรือนาอาศัยวัดอยู่พวกนั้นเป็นพวกที่ประกันไม่มีบุญก็ไม่ทำลอยมาเป็นหมาขี่เรือนอาศัยวัดอยู่กันหรือไม่ก็เป็นพวกเปรตมารอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพี่จากน้อง หรือถ้าทำบาปร้ายกายก็ไปติดคุกติดตารางในนรกฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าฆ่าคนด้วยความ อ, อาดอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นตรงนี้ไปตกนรกแต่ฆ่าเพื่ออยู่นี่ไปเป็นเดราาัจฉานเช่นฆ่าฆ่าปลาฆ่านกเพื่อจะเอามากินเป็นอาหารนี่อันนี้เป็นก็ไปแค่เป็นเดรัจฉาน งานค่าก็มีหนักมีเบาแล้วแต่ว่าค่าใครค่าคนที่มีพระคุณมากก็จะหนักมากข่าพระอาหารค่าพ่อค่าแม่นี้เป็นกรรมหนักที่สุดค่าเป็ดค่าไก่ค่านกค่าปลาเพื่อเอามาเป็นอาหารนี้ก็โทษแค่เป็นไปเป็นเดรัจฉานทาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เหมือนเป็นเดรัจฉานดีๆนี่เอง เดรัชานมันก็กินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกันเพื่อ mm hmm. เพื่ อ, mm hmm. อ, อ, อยางชีพมนุษย์มนุษย์ถ้ามาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อยางชีพมันก็เหมือนเดรัชานมันก็ไปเป็นเดรัชานแต่ถ้าฆ่าเพื่อให้น้ำให้รวยไม่ใช่ฆ่าเพื่อมากินอย่างเดียวฆ่าแล้วเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆเปิดทำฟาร์มไก่ฟาร์มเป็ดฟาร์มอะไรฆ่ากันทีเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนตวัว ร่ำรวยจากการฆ่าสัตว์เหล่านี้ก็ไปเป็นเปรตกันนะทำด้วยความโลภฆ่าด้วยความโลภเนี่ยกิดที่ไปสำหรับพวกที่ไม่ซื้อประกันภัยกันนะดังนั้นเราก็รู้วิธีการปฏิบัติของพวกเราแล้วว่าเราจะปฏิบัติในขั้นไหนกันจะเป็นนักบุญหรือเป็นนักบวช จะไปสวรรค์ชั่วคราวหรือไปสวรรค์ถาวรจะไปสวรรค์ถาวรก็ต้องไปเป็นนักบวชถ้าไปสวรรค์ชั่วคราวก็ไปเป็นนักบุญทำบุญรักษาศีลห้าไปถ้าอยากจะไปสวรรค์ถาวรก็ซื้อศีลแปดไปภาวนานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาก็จะไปสวรรค์ชั้นถาวร ใบแบบที่ไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปการมีร่างกายนี่มันไม่ดีมีแล้วต้องเลี้ยงดูมันปากกัดตีนถีบแล้วก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่มีร่างกายดีที่สุดทุกย่อไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่ไม่เกิดก็คือพระพุทธเจ้าพระอารหาันตสาบกแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านหายไปไหน ท่านก็ยังอยู่อยู่บนสวรรค์สวรรค์ที่ไม่ต้องลงมาเป็นมนุษย์พวกเทพที่อยู่บนสวรรค์ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์กันนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของบุญของบาปเรื่องของกรรมเนี่ยถ้าเราไม่ได้มาวัดไม่ได้มาหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ เราจะคิดว่าตายแล้วศูนย์กันเพราะเราเห็นว่าร่างกายมันตายแล้วก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปกลายเป็นซากศพไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปใครจะไปเกิดใหม่กันนี่เพราะเราไม่เห็นตัวที่ไปเกิดใหม่ตัวที่ไปรับผลบุญผลบาป ก, ก็คือใจใจคือผู้รู้ผู้คิดนี่แหละที่ไม่ได้เป็นร่างกายเราจะรู้ผู้รู้ผู้คิดต่อเมื่อเราภาวนา นั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วเราก็จะเห็นตัวรู้ตัวคิดนี้ว่ามันไม่ได้เป็นร่างกายถ้าเราไม่ภาวนาเราจะไม่มีวันเห็นเหมาอนคนตาบอดที่ไม่ลืมตาถ้าไม่ลืมตาก็จะไม่เห็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวจะเห็นแต่สีดําอย่างเดียวดังนั้นถ้าเรายังไม่เห็นตัวรู้ตัวคิด ตัวที่ไปเกิดแก่เจ็บตายไปเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ไปสวรรค์ไปนรกก็ต้องเชื่อคนที่เข้ารู้<ม>ก็คือเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>แล้วทาตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนแล้วเราจะได้รู้ต่อไปเราจะได้เห็นตอนเป็นนักบุญนี่ยังมองไม่เห็นนักบุญนี้ทําไปด้วยความเชื่อแต่ถ้าเป็นนักบวชแล้วต่อไป<ม>เห็นเอง<ม>เห็นแล้วก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้ เมื่อเห็นแล้วต้องไปเชื่อทําไมเมื่อเราตาดีอาศัยคนตาคตาดีพาไปพวกที่เป็นนักบุญนี้ยังจ้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พวกที่เป็นนักบวชนี้เดี๋ยวเขาก็เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาเองแล้วเขาจะไปเขาก็เชื่อในตัวเขาเองได้เขาเห็นเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตอนนี้ถ้าเรายังไม่เห็นตัวเวียนว่าตายเกิด ตัวที่จะไป เ, เกิดในสวรรค์หรือในรกตัวที่จะไปนิพพานก็ขอให้เชื่อคนที่เขาเห็นแล้วไปแล้วแล้วปฏิบัติตามไปต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองเห็นแล้วทีนี้ก็จะไม่สงสัยพระโสดาบันนี้ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นตัวเวียนไหวาตายเกิด เห็นตวเห็นนรกเห็นสวรรค์่างนั้นก็ขอให้เราปฏิบัติตามหน้าที่ของเราถ้าเป็นนักบุญก็หมั่นทำบุญให้เป็นนิสัยซื้อประกันภัยป้องกันไม่ให้ไปเกิดในอบายถ้าเป็นนักบวชก็หมั่นไปเปรีกวิเวกไปหาที่สงบรักษาศีลแปลดให้ดีแล้วก็หมั่นไหว้พระสวดมนต์เจริญสติ พุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาแล้วเอาปัญญานั้นมากำจัดตัวที่จะทำให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือการมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาแล้วต่อไปเราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอรหันตาสาวกไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ไม่ต้องมาร้องห่มร้องห้เวลาพัดพากจากกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พออย่<ม>ที่ในสวนมีกิจกรรมอะไรบ้างอ่ะตอนเช้ามีไหวพสส้พระสวดอะไรบ้างอ่าตอนเช้าก็ค่ะกี่โมง4่ะสี่ห้าก็ลังจากบ้าแล้วก็นั่งสมาธิด้วยค่ะแล ก็กินข้าตอนเก้างนะคะระหว่งวางวันก็ปฏิบัติ อ, อินปาสองฟังธรรมนะะที่ศาลาก็มาร์ทอมเย็นทำงาเย็นน ะ, ะแล้วก็กิจกรรมส่วนใหญ่ปฏิบัติอินนะค ะ, ะมีที่มีร่มไม้สำหรับเดินจงกรมไหมมีที่เดินจงกรมไหมีมมม ท, ที่ที่มวยจากรุงเทพไค ะ, อะขอไปดูสถานที่เด ออไปอาจจะมีคนช่วยกันสร้างที่พักเพิ่มก็ได้ถ้าเห็นว่ามันดีให้มีที่เดินจงคมไปดูแค่ที่เราทำอยู่บนเขาเนี่ยมีแค่มีทางเดินจงคมอย่าอยู่ใกล้กันมากนะ ไอยู่ทางพังกันวันนี้คนต่อพักพักขึ้นไปเนาะคะพ่อบอกว่าจะทำอาคารจงกงแบบที่หลวงพ่อสร้างไว้ได้ไงเป็นนักบุญก็เป็นนักบวชเป็นนักบุญก็เป็นนักบวช <c oughs> ใจมันใจมันไม่ได้อยู่แล้วใจเป็นนักบุญแต่กลายเป็นนักบวช <c oughs> มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะที่สวนใจ่อะไรเป็นเครื่องฟังนะลำโพงลำโ พ, พงต่อจโทรศัพท์นะค่ะอเชื่อมบูทูธนะเาค่ะอสบายชัดเจนเปิดทางที่ออนไลน์เจค่ะก็ชัดเจนมากค่ะ ตอนเย็นก็ส่วนมนต์ไวพระนั่งสมาธิถ้าอยากจะฟังธรรมก็ต้องมีเครื่องเครื่องเครื่องเล่นซีดีเปิดคแต่ยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวลูกก็ใช้เครื่องเล็กๆเลยก็ค่ะไว้ให้เวลามีใครมาก็จะให้เขาไว้ติดเครื่อเจ้คนจะฟังนะฟังแล้วจะได้เกิดความเข้าใจจะได้รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกท่องเป็นยังไงเอก็ ปฏิบัติกันส่วนใหญ่ก็ยังปฏิบัติแบบผิดผิดถูกถูกกันที่นั่งสมาธิก็นั่งเฉยเไม่มีอะไรกํากับใจแล้วก็เห็นหนู่นเห็นนี่ขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เป็นวิธีการนั่งเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาเกิดการหลุดพ้นการนั่งนี้ต้องการมีมีเครื่องกํากับใจเช่นพุโทโธเพื่อดูล ม, มหายใจเพื่อทำใจให้นิ่งให้ใจสงบ เมื่อใจนิ่งสงบแล้วก็พร้อมที่จะรับปัญญาของพระพุทธเจ้าได้ละตัญหาดับความทุกข์ได้ถ้านั่งแล้วไม่มีอะไรกากับใจเห็นหนูน่นเห็นหนี่โผล่ขึ้นมาก็เพิดเพลินไปกับสิ่งที่ให้เห็นแล้วก็คิดว่านั่นเป็นปัญญานันไม่ใช่ปัญญานี้ไม่มามีไว้เพื่อมาตัดกิเลสตัดความโลภความโกรธความหลงตัดความอยากต่างๆ เวลาอยากกินกาแฟก็ต้องมีปัญญาเห็นว่ากินแล้วทุกข์อย่าไปกินกินแล้วติดเนี่ยที่มันทุกข์ก็มันติดเวลาติดแล้วเวลาไม่ได้กินมันทุกขนะ์ไม่เห็นกันบุหรีก็เหมือนกันกาแฟก็เหมือนกันดูหนังฟังเพลงก็เหมือนกันพอมันทำด้วยความอยากแล้วมันจะติดถ่ายรูป ก, ก็เหมือนกัน <laughs> <laughs> ถ่ายแล้วมันก็ติด <laughs> ถายเนยเป็นพันแล้วมั้งเนี่ยพอไหมไม่พอถ่ายรูปเป็นพันยังไงยัไม่ไมพอก็คนเก่าเนี่ยแหละหน้าเก่าเป็นไปใส่ชุดใหม่วันนี้ชุดดํา <c oughs> พรุ่งนี้ชุดขาวเปลี่ย <c oughs> <c oughs> นสีนี่คือปัญญาปัญญาเพื่อตัดของพวกนี้ทําไปแล้วมัน ไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาเวลาไม่ได้ทำก็ทุกข์เี่ยเวลามือถือหายไปเนี่ยทุกข์เนี่ยต้องวิ่งหาซื้อเครื่องใหม่ไม่ได้แย่งรับรองได้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ถ้าเครื่องเก่าหายไปเนี่ยหายในไม่กี่ชั่วโมงนี่ไปซื้อเครื่องใหม่กันละถามว่าติดไม่ติดเนก่อนที่ก็ไม่ติดก็ช่างหัวมันไม่ใช้มันสักพักก็ได้ คนที่กาแฟหมดนี่โอ๊ยวิ่งไปไปหาซื้อมาเตรีมไว้ล้เเี๋ยวถ้วยต่อไปถึงเวลาจะกินไม่มีกินไม่ได้นี่แหละคือตันหามันทุกข์เพราะทำไม่ติดติดแล้วมันต้องกินต้องดูต้องฟังอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังแล้วมันจะทุกข์อยากจะรู้ว่าทุกข์เป็นไงมาถือศีลแปดดูเลยนั่นแหละตอนนั้นกาลังห้ามไม่ให้ไม่ให้ทตามความอยากกัน ถึงรักษาศีแตกกันไม่ค่อยได้ยังเป็นนักบวชกันนักไม่ค่อยได้เป็นนักบุญกันดีกว่าง่ายกว่าสบายกว่าอยากจะดิมอยากจะกินอยากจะดูอะไรอยากจะทำอะไรก็ทำได้แต่ผลมันสูกเป็นนักบวชไม่ได้นักบวชมันจะได้ไปนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนักบุญก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อย มีคําถามเข้ามาหรือยังมีค่ะมาม า, าเลยคําถามจากคุณบารหากเราเคยปฏิบัติผิดในศีลข้อใดข้อหนึ่งในอดีตแต่ปัจจุบันเราสามารถระลึกได้ว่าเป็นบาปและเลิกประพฤติต่อไปเราต้องไปชดใช้ในอบายหรือไม่ครับบาป ท, ที่ทําไปแล้วก็ต้องใช้ถ้าไปลบมันไม่ได้เมื่อถึงเวลาเาละที่มันจะแสดงผลมันก็ต้องก็ต้องปรากฏขึ้นมา เหมือนกับเราเฟื่องก้อนหินไปแล้วเนี่ยมันไปตกที่ไหนมันก็ต้องไปไปดึงมันกลับมาไม่ได้แล้วพอเรารู้ว่าเห้ยไม่ดีไม่ควรจะเฟื่องก้อนหินนี่แต่มันไปแล้วมันหลุดจากมือเราไปแล้วเราจะไปดึงมันกลับมาไม่ได้นะก็ต้องให้มันไปหล่นที่ไหนบาปที่เราทําแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีผลตามมาแต่การสานึกผิดนี่มันจะทาให้เราไม่ไม่ให้ทาบาปใหม่ต่อไป บาปเก่าที่เราใช้หมดแล้วมันก็จะไม่มีโทษกับเราอีกต่อไปคำถามจากคุณบุษบาโยไม่สามารถจเจริญสติได้นานเผลอไปคิดอยู่บ่อยคิดได้กลับมาบริกรรมพุทโธกลับไปคิดอีกขอเมตตาว่าจะทำอย่างไรให้จิตเกาะพุทโธได้นานและต่อเนื่องมากขึ้นคะก็ต้องพยายามทาไปเรื่อยเหมือนกับเด็กที่กาลังหัดเดินนะ้มลุกคุกคานไปก่อน เด็กมันก็มันก็พยายามเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็เดินได้เองถ้าเราพยายามไม่หยุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขอให้เรามีความพยายามก็แล้วกันแล้วก็อย่าท้อแท้อย่าไปคิดว่าพอเริ่มทาปุ๊บจะต้องได้ปั๊บเนี่ยเหมือนกับเด็กเ่พอหาดจะยืนจะเดินปั๊บแล้วล้มลงมาก็อย่าไปเสียใจเปนเรื่องปกติของการ เป็นของการศึกษาเรายังไม่เคยเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนเผลอบ้างหลุดบ้างพอได้สติเรารู้ได้ว่าเผลอก็กลับมาใหม่พุโทโธใหม่ทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะเผลอน้อยลงไปแล้วต่อไปมันจะไม่เผลอเลยคําถามจากคุณจูนเดี๋ยวนี้ไม่กล้านั่งสมาธิคนเดียวตอนกลางคืนค่ะเนื่องจากกลัวผีควรปฏิบัติอย่างไรคะ และเวลานอนผีมันไม่มาทำเราเนะมันจะมาทำเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นแหละคำถามจากคุณโสภิษตอนที่ลูกภาวนาสภาวะธรรมที่เกิดคือตัวตนหายไปพุโทโธหายไปเหลือแต่ความรู้สึกว่าเรายังอยู่บางครั้งรู้สึกตัวเองหดลงเรื่อยๆก็ภาวนาพุโทโธไปจนจิตถอนออกมาบางครั้งเหมือนตัวสูงขึ้นเรื่อยๆทาให้เกิดข้อสงสัยหลายอย่าง เมื่อคืนนี้พิจารณาอสุภะจิตนิ่งไม่ไปไหนเลยแล้วจะไปต่อแบบไหนดีคะขอพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะด้วยค่ะ เ, ออเวลานั่งก็ให้มันนิ่งนานๆนนอย่าใช้วิธีไหนก็ได้จะ ใ, ใช้พุโทโธก็ได้ใช้พิจารณาสุภะก็ได้เวลานิ่งแล้วก็ให้มันนิ่งไปนานๆอย่าให้มันไปเห็นอะไรอย่าให้มันไปคิดอะไรให้มันนิ่งนานๆเพราะความนิ่งนี้จะทําให้เราสู้กับความอยากได้เวลาออกจาก สมาธิมาอยากกินกาแฟาก็ฝืนมันได้เพราะเราใจเรานิ่งได้ที่เราฝืนไม่ได้ก็เพราะใจเราไม่นิ่งถ้าเรารู้ว่าต่อไปนี้เราจะเลิกกินกาแฟแล้วถ้าเวลานั่งสมาธินี้ใจเรานิ่งได้นานๆพอออกจากสมาธิมาพออยากจะกินกาแฟเราก็บอกเอ้ยไม่กินก็ได้ทําใจให้นิ่งๆก็ได้ถ้าใจนิ่งใจก็จะไม่ทรมานที่ทรมานเพราะมันไม่นิ่งเพราะมันอยาก ยงถ้าเรามีความนิ่งแล้วเราจะสู้กับความอยากได้เราจะทำให้เราเลิกความอยากได้พยายามนั่งสมาธิให้นิ่งนานๆเป้าหมายของการนั่งสมาธิ t. ก็เพื่อให้ใจนิ่งไม่ต้องการให้รู้ไม่ต้องการให้เห็นอะไรทั้งนั้นในสมาธินี้ไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นอะไรให้นิ่งเฉยๆให้รู้เฉยๆให้อิ่มใจให้สุขใจให้พอใจนี่นี่คือผลของการนั่งสมาธิ t. ถ้าถึงจุดนั้นแล้วก็พยายามให้มันอยู่อย่างนั้นได้นานๆถ้ามันจะออกมาก็ดันมันกลับเข้าไปใหม่พุโทโธใหม่ดูลมใหม่พยายามให้มันนิ่งนานๆ น, นิ่งบ่อยๆเราต่อไปเราจะมีกําลังสู้กับความอยากต่างๆคำถามจากคุณนุชนาดาถ้าโยมนั่งสมาธิทุกๆวันเพื่อแผ่เมตตาหรือส่งบุญให้บุคคลคนหนึ่งและตั้งอธิษฐานจิต พอจะได้รับใหม่เจ้าคะ่ะมีคนบอกโยมว่าโยมไม่ได้สําเร็จถึงขั้นโสดาบันเอาตัวเองให้รอดก่อนค่อยส่งหาคนอื่นโยมหมดกําลังใจปฏิบัติเลยเจ้าคะ่ะแต่ก็ยังตั้งใจทําอยู่ตลอดเจ้าคะ่ะอ๋อการปฏิบัตินี้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อคนอื่นปฏิบัติเพื่อตัวเราเองผลที่เราได้จากการปฏิบัตินี้แบ่งให้คนอื่นไม่ได้คนอื่นนี้เขาต้องทําของเขาเอง คนตายไปแล้วสิ่งที่เราให้เขาได้ก็คือบุญที่เราเกิดจากการทําทานทั้งเช่นวันนี้เรามาทําทานกันเนี่ยถวายปัจจัยกันเนี่ยบุญส่วนนี้เราแบ่งให้คนตายได้แต่บุญที่เกิดจากการฟังธรรมนี่แบ่งไม่ได้เขาต้องมาฟังเองบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิเขาก็แบ่งไม่ได้เขาต้องมานั่งเองคำถามจากคุณมงคลข้อที่หนึ่ง เจอธนบัตร1000บาทบนทางเท้าสาธารณะหาเจ้าของไม่ได้จึงนําไปใช้ส่วนตัวผิดศีลลักทรัพย์หรือไม่ครับนั้นก็ยังไม่เป็นของเราอยู่แล้วเจ้าของเขาก็ยังไม่ได้อนุ ญ, ญาตให้เราอยู่ยังจะเรียกว่าผิดศีลก็ได้เพราะเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปใช้โดยที่เขาไม่ได้อนุ ญ, ญาตทางที่ดีก็เอาไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือที่ไหนแล้วเผือใครเข้าไปแจ้งความ ว่าเขาของหายเขาจะได้เอาของคืนเขาได้คำถามจากคุณหนูหนูเคยเห็นบางที่พระท่านบอกให้ผู้ที่นั่งสมาธิหายใจลึกๆแล้วปล่อยออกมาให้เต็มที่ทำให้ผู้ที่นั่งหายใจมีเสียงดังออกมาเ <c oughs> พราะต้องสูดลมเข้าออกแรงและดูเหมือนลมหายใจจะถี่ขึ้นด้วยหนูเคยถามเขาว่าตอนนั่งสมาธิแบบนั้นมีอาการอย่างไรบ้าง ขาบอกว่าจะรู้สึกตัวแข็งแข็งเหมือนถูกตึงไว้แต่ไม่เหนื่อยทําแล้วจะรู้สึกโล่งแต่หนูไม่เคยได้ยินได้เห็นแบบนี้มาก่อนเลยสงสัยว่าทําแบบนี้ผิดหรือไม่อย่างไรคะไม่ถูกหรอกเราเวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องการจะไปควบคุมบังคับอะไรทั้งนั้นต้องการให้ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเราเพียงต้องการใช้ลมหายใจเป็นที่ผูกใจเราใจเรานี่เหมือนเรือ เรือนี้ถ้าเราไม่มีอะไรผูกไว้เดี๋ยวมันก็ลอยไปตามกระแสน้ําถ้าเราต้องการให้เรือมันจอดนิ่งๆเราก็ต้องผูกมันไว้กับท้ายเราถ้าเราต้องการให้มันนิ่งเราก็งัน้นเราอย่าไปบังคับลมเพราะถ้าเราไปบังคับลมนี้ทําให้ใจเราต้องทํางานเมื่อใจเราต้องทํางานมันก็จะไม่นิ่งดังนั้นอย่าไปบังคับลมลมจะหายใจสัน้นหายใจยาวก็เรื่องของมันให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ลมกํมาลังเข้าลมกํมาลังออก ลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวลมอยาบ ก, ก็รู้ว่าอยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดให้รู้เฉยๆเท่านั้นเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าใจไหมถ้าเราไม่ดูลมเดียวแล้วก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนีนงนนงนน้ถ้าคิดแล้วมันก็จะไม่สงบแต่ถ้าอยู่กับลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะสงบเองคำถามจากคุณปานมพร ในความเป็นจริงในความเหมาะสมหิ้งพระหรือห้องพระควรตั้งในส่วนไหนของบ้านครับและควรตั้งไว้ที่เดียวกับห้องนอนไหมครับขอโอกาสพระจาแนะนำครับก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะเห็นว่าอะไรมันเหมาะสมก็ทำไปก็แล้วกันเราจะไปรู้ได้ไงว่าอะไรมันเหมาะสมไม่เหมาะสมในบ้านของคุณคุณก็ควรจะดูเอาปรึกษากับคนที่เขาที่ไหนก็ได้เรา ถ้าเป็นห้องเป็นสัตว์ส่วนได้ก็ดีเป็นอีกห้องหนึ่งเลยเหมือนเหมือนกับเรามีห้องนอนได้ทำไมเรามีห้องพระไม่ได้แล้วก็ทาห้องอีกห้องเป็นห้องพระไปเป็นห้องที่เราเหมือนกับเวลาเราไปโบสถ์อย่างเงี้ยไปศาลาเงี้ยก็จะมีเป็นห้องไปเลยถือว่าเป็นห้องสาหรับที่เราจะได้ไปไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งสมาธิถ้ามีห้องพิเศษอย่างนี้ได้จะดีกว่านั่ง นั่งในห้องนอนก็นั่งใกล้ใกล้หมอนเดี๋ยวมันขี้เกียจมันจะนอนแต่ถ้าอยู่ในห้องพระนี่มันห่างหมอนถ้าจะนอนมันยังต้องเดินต้องหลายก้าวมันก็เลยอาจจะนั่งต่อไปดีกว่าถ้านั่งใกล้ใกล้กลหมอนเดี๋ยวก็ล้มพับใส่หมอนเลยเฉะนั้นถ้าอยากจะมีห้องอยากจะมีพระไว้ในห้องในบ้านก็จัดห้องไว้เลยทําห้องไว้สักห้องหนึ่งเอาห้องนอน มาเป็นห้องที่ไม่มีใครนอนมาทําเป็นห้องพระไปก็ได้ <siamo. S 1> เราจะได้มีที่ไปหลบมุมได้ destined. วันไหนเราอยากจะถือศีลแปดในบ้านเราก็เข้าห้องพระไปไปนอนในห้องพระเลยเหมือนกับญาติโยมที่มารักษาศีลแปที่วัดเขาก็ไปนอนในโบสถ์กันเขาเรียกว่าอุโบสถศีลไงอุโบสถก็แปลว่าโบสถ์ไปรักษาศีลในโบสถ์ในวันพระกัน <M> mm> ถ้าเราไปวัดไม่ได้เรามีบ้าน เรามีห้องพระเราก็ไปอยู่ในห้องพระในวันพระก็ได้คาถามจากคุณแสงดาในเวลาที่เรากําลังทากิ จ, จา ก, การงานอยู่บ้างครั้งบางครั้งในใจจะสวดมนต์ในบทที่สวดก่อนนอนเช่นพระไตรปิฎกพระปารีบทต่างๆในขณะที่มีอารมณ์ที่สวดมนต์ในครั้งแรกไม่สบายใจว่าตัวเองผิดปกติแต่มาภายหลัง เมื่อมีอารมณ์นั้นปรากฏรู้ในอารมณ์สวดด้วยความตั้งใจจึงมีปิติยินดีกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องควรทำอย่างไรเจ้าคะก็สวมุนไปก็เป็นวิธีตามใจให้สงบนะครับสวนแล้วมีปิติมีความสงบก็ถูกต้องแล้วทำไปแต่มันจะไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องนั่งหลับตาแล้วก็ถ้าจะสวดก็สวดไปภายในใจหรือทางที่ดี ให้ดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวดีกว่าหรือไม่เช่นนั้นก็ให้พุทธโธพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วจิต จ, จะเข้าไปสู่สมาธิได้ลึกกว่าการสวดคําถามจากคุณกุ้งบางวันด้วยเวลาล่วงเลยการสวดมนต์หากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วเขานั่งทําสมาธิเลยได้ได้ไหมเจ้าคะ อันนี้ส์การล้ลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะลดน้อยลงถดถอยหรือไม่คะเออไม่หรอกการการนั่งสมาธินี้ก็เป็นการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยตรงอยู่แล้วเรียกว่าปฏิบัติบูชาเนี่จะกราบหรือไม่กราบจะลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเรานั่งสมาธิได้นี่ถือว่าเราได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว คำถามจากคุณแอเวลาผมนั่งสมาธิแฟนผมมักเดินเข้าออกห้องผมได้ยินเสียงเดินได้ยินเสียงเปิดประตูบางทีก็รู้สึกกับรู้สึกแล้วก็กลับมาพุดโทรต่อได้เลยแต่บางวันก็กลับมายากผมเลยได้ยินมาว่าการรบกวนคนนั่งสมาธิเป็นบาปหนักมากแต่ใจผมไม่ได้คิดอะไรเลยกับแฟนใจผมมีแต่เมตตา แบบนี้แฟนผมไม่บาปใช่ไหมครับเพราะจะบาปไม่บาปขึ้นอยู่กับใจหลักใช่ไหมครับคือบาปนี่มันอยู่ที่การผิดศีลห้าถึงเรียกว่าบาปการไปเล่บควนคนที่ทำสมาธิอยู่ก็เป็นเพียงแต่ไปขัดความเจริญของเขาเท่านั้นเองไปเป็นมารไม่ได้เป็นบาปไปเป็นเป็นตัวที่ทำให้เขาไม่สามารถนั่งให้สงบได้ก็ไม่ดีเพราะว่ามันก็ จะทำให้เขามีความรู้สึกไม่ดีกับเราได้ไปรบกวนเขาดันั้นเราควรที่จะระมัดระวังเวลาที่เราเห็นคนเขากาลังนั่งสมาธิหรือกาลังนั่งฟังเทศฟังธรรมอย่างที่เวลาเรามาที่นี่เวลาที่คนเขานั่งฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าพึ่งเข้ามาดีกว่าที่นั่งตรงไหนรอให้ การฟังเทศฟังธรรมเสร็จก่อนแล้วค่อยเดินเข้ามาก็ได้ <Yeah. S 1> อย่ามารบกวนคนที่กำลังฟังเทศฟังธรรมเพราะมันจะทำให้ขาดตอนเวลาฟังเทศนี้มันต้องฟังอย่างต่อเ น, นื่องเหมือนดูภาพยนตร์ถ้าดูภาพยนตร์แล้วรับไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวออกมาไม่รู้ภาพยนตร์มันไปถึงไหนแล้ว <Yeah. S 1> การฟังเทศก็เหมือนกันพอมีอะไรมารบกวนใจใจกันใจก็จะไม่ได้ฟังแล้ว พอกลับมาฟังอีกทีก็ไม่เข้าใจแล้วว่าพูดถึงเรื่องอะไรล่ะดังั้นการฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดผลจริงๆต้องฟังอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดตอนผู้ที่มาทีหลังก็ควรที่จะเคารพความเคารพสมาธิของผู้ฟังอย่าไปทำลายสมาธิเขารออยู่ข้างนอกก่อน เราให้เขาฟังเสร็จก่อนแล้วเราค่อยเข้ามาแล้วถ้าจะเข้ามาต้องย่องเข้ามาเงียบๆแบบไม่รบกวนใครก็ทำได้แต่ไม่ใช่เดินมาแบบส่งเสียงออกระทึกคึกโคมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ควรที่จะทำคำถามจากคุณพาราเกิดอารมณ์น้อยใจขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวแล้วนึกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทาที่เราเคยทำกับคนอื่น โดยไม่ตั้งใจอารมณ์น้อยใจนั้นหายไปจึงอยู่กับพุทโธพุทโธ ท, ทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคำถามจากคุณสุทธิพงศ์เวลานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธต้องบริกรรมไปเรื่อยๆและพยายามอยากให้คิดอย่าให้คำบริกรรมหายหากจิตจะสงบคำบริกรรมจะหายไปเองโดยที่เราไม่รู้ตัว ผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าเพราะบางทีมาถึงจุดหนึ่งคำบริกรรมเหมือนจะหายไปแต่จิตก็เริ่มสบายก็ฉุกขึ้นฉุคิ ด, ข, ด ข, ขึ้นมาว่าคำบริกรรมกําลังจะหายก็เลยกลับมาบริกรรมทําอย่างนี้ถูกไหมครับก็ถ้าบริกรรมนี้ถ้ามันจะสงบจริงๆมันจะแบบว่าวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบ่อแล้วคำบริกรรมมันก็จะหยุดไปเองแล้วใจก็จะมีความสุขมากมีความสงบ แต่ถ้าเราบริกรรมไปแล้วเราจะหยุดมันเองนี่แสดงว่าบางทีเรายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราขี้เกียจเราก็หยุดมันก็จะได้ไปแค่ถึงตรงจุดนั้นยัง จ, จะไปเลือกกว่านั้นไม่ได้ถ้าเรายังบริกรรมได้โดยที่คำบริกรรมมันไม่หยุดเองหยุดแบบสะดุดถ้ามันหยุดแบบสะดุดเช่นมันตกลุมตกบอ่อแล้วมันหยุดถ้าหยุดอย่างนั้นไม่เป็นไรหยุดได้ แต่ถ้าไม่มีอะไรมาทำให้มันสันดุลนี้ควรที่จะบริการต่อไปเรื่อยๆคำถามจากคุณกัญญาอารมณ์น้อยใจทำอย่างไรจะหายคะก็อย่าไปอยากให้เขาทำอะไรกับให้เราซิที่เราน้อยใจเพราะเราอยากให้เขาทำนู่นทานี่ให้เราพอเขาไม่ทำเราก็เลยน้อยใจคำถามจากคุณหนู โยมชอบนั่งสมาธิในตอนเช้าอยู่กับบ้านมากกว่าที่จะไปทำบุญในตอนเช้ามากกว่าที่จะทำบุญที่วัดแต่มีคนรู้จักอยากให้โยมไปทำบุญที่วัด <c oughs> แต่โยมก็ไปตามตามเหตุอันควรเดือนละ 3-4 ถึงครั้งหลวงพ่อว่าโยมควรนั่งสมาธิอยู่กับบ้านเป็นการสมควรกว่าหรือไม่คะถ้าเรานั่งสมาธิได้เราจะได้บุญมากกว่าการไปทาบุญใส่บาตร ยิงถ้าเราถ้าเราอยากจะได้บุญจากการนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องไปทําบุญใส่บาทก็ได้เพียงแต่ว่าชาติหน้าเราอาจจะไม่มีอะไรกินก็ได้เท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปทําบุญใส่บาทแต่ถ้าเรามีเรามีสมาธิเราก็ไม่ต้องกินก็ได้เราเป็นพรหมพรหมก็ไม่ต้องกินอะไรยั้นถ้าเรา ส, สามารถอยู่บ้านนั่งสมาธิได้มีความสุขจากการนั่งสมาธิได้ ก็ไม่ต้องไปทำบุญก็ได้หรืออยากจะทำบุญก็ทำแบบง่ายๆส่งเงินไปก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดไปอย่างนี้ก็ได้ทำบุญแล้วเหมือนกับได้ไปที่วัดแล้วเพื่อเราจะได้มานั่งสมาธิเราก็จะได้บุญทั้งสองอย่างบุญที่เกิดจากการเสียสละและบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิแต่ถ้าเราไปวัดเราก็อาจจะเสียเวลาแล้วเราจะไม่ได้นั่งสมาธิ เราก็จะได้บุญที่มันต่ํากว่าบุญที่ได้จากการนั่งสมาธิยังถ้ า, ถ, าถ้าจะให้เลือกระหว่างบุญสองอย่างนี้จะเอาอย่างไหนก็ให้เอาบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิดีกว่าที่จะเอาบุญที่เกิดจากการทําทานคําถามจากคุณโสภิตถ้ า, าครอบครัวมีอาชีพผลิตลูกไก่ขายเป็นธุรกิจส่งไปตามฟาร์ม ต่างเป้าหมายคือเอาไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารอาชีพนี้จะทําให้ส่งผลกรรมอย่างไรคะอะ็อาจจะต้องไปเป็นลูกไก่เขาเลี้ยงไปส่ง <c oughs> <c oughs> ทําบันไดไว้ก็ต้องกลับมาเป็นของเราอเลยจะทํากรรมบันไดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นขายลูกไก่ต่อไปก็ต้องไปเป็นลูกไก่ให้เขาขายคํถาถามจากคุณธีรวุธ ขอทศนาอาจารย์ในการเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานที่อินเดียครับถ้ายังสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่แล้วยังปฏิบัติไม่ได้ก็ไปก็ดีแต่ถ้าปฏิบัติได้ก็ไม่ต้องไปเพราะการปฏิบัตินี้จะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงถ้าไปก็เป็นเพียงแต่ไปเห็นซากของพระพุทธเจ้า ที่ที่พระพุทธเจ้าเคยอยู่เคยเกิดเคยกินเคยตายท่านั้นเองแต่ถ้าเราอยากจะเห็นตัวจริงของพระพุทธเจ้านี้เรานั่งสมาธิปฏิบัติทำไปแล้วพอมีดวงตาเห็นธรรมก็จะเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงที่ไม่มีวันตายอยู่ในใจของเราเองคำถามจากคุณวีรพรการที่เราได้พลั้งเถิดทาผิดไป และได้สำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำไปและกำลังปรับปรุงแก้ไขตนเองเพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำอีกแต่ก็มีเพื่อนบางคนที่รับรู้การกระทำของเรามาพูดในลักษณะตอกย้ําว่าเห็นตัวอย่างการกระทำของเราแล้วน่ากลัวฟังดูเหมือนจะดีที่การทำผิดของเราเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเขาแต่บางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าเหมือนเป็นการตอกย้าความผิดที่เราได้ทาไป บางทีก็รู้สึกแย่ท้อที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเกิดอารมณ์ท้อแบบนี้จะทำอย่างไรดีคะก็อย่าไปท้อสิมันเกิดไปแล้วทำไปแล้วไปคิดถึงมันทำไมก็อยู่ในปัจจุบันพยายามทำสิ่งที่ดีต่อไปสิ่งที่ไม่ดีมันก็ผ่านไปแล้วไปคิดถึงมันทำไมมันเป็นอดีตไปแล้วให้รู้ว่ามันไม่ดีแล้วอย่าไปทาต่อก็แล้วกันคาถามจากคุณวีนา เวลานั่งสมาธิกาหนดลมหายใจไปเรื่อยๆโดยกาหนดที่ปลายจมูกแต่รู้สึกเหมือนมีดวงจิตจับที่ท้ายทอยแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นมาถึงกลางหน้าผากสว่างตลอดเวลาไม่ได้นอนเลยอย่างนี้เรียกจิตตื่นใช่ไหมเจ้าคะแล้วที่วิธีแก้ไขทาอย่างไรคะก็ให้อยู่ที่ลมอยู่ที่ปลายจมูกอย่าไปสนใจกับสิ่งที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาให้อยู่ที่ลมอยู่ที่ปลายจมูก จ้จก็ะเขาสู่ความสบได้คำถามจากคุณชาร์ใช้ยุคหนอ่พอพรงหนอ่อทําสมาธิได้ไหมคะเราควรสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิหรือนั่งสมาธิก่อนสวดมนต์แบบไหนจะได้ผลดีกว่ากันคะอ๋อการสวดมนต์นี้เป็นการเตรียมใจให้นั่งสมาธิแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ก็ไม่ต้องสวดเลยก็ได้แต่อย่าไปสวดหลังจากที่เรานั่งแนละ้ว ถ้านั่งแล้วสงบแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วคําถามจากข้อที่2บุญจากการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิแตกต่างกันไหมคะอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันคะเดินจงกรมก็จะได้สติคือเราจะได้จเจริญพุโทโธพุโทโธไปไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่มันจะไม่สงบเหมือนกับเวลานั่งเวลานั่งนี่จิตจะสงบจิตจะโลน จะได้อุเบกขาจะได้อัปปนาสมาธิเะฉะั้นการนั่งนี้จะได้ผลดีกว่าการเดินแต่บางทีก็ต้องเปลี่ยนเอรียบทเพราะว่าเรานั่งทั้งวันไม่ได้ถ้าเรานั่งไปนานๆเราเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนเอรียบทยืดเส้นยืดสายขณะที่เราเดินเราก็จะเริยนสติไปรักษาใจรักษาสติไว้พอเราเดินหายเมื่อยแล้วเราก็กลับมานั่งใหม่ถ้าเรามีสติต่อเนื่องเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ ความสงบเป็นสมาธิได้คําถามจากคุณมงคลความเชื่อที่ว่าการเป็นเจ้าภาพกรถิ่นเป็นบุญใหญ่มากไม่ควรทําคนเดียวเพราะจะทําให้อายุสั้นควรให้คนอื่นร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมใช่ไหมครับเไม่ถูกหรอกการทําบุญจะทําคนเดียวทําหลายคนก็ได้ทําคนเดียวก็ได้ได้เต็มร้อยถ้าเราทําคนเดียว ถ้าให้คนอื่นเข้ามาร่วมเขาก็แบ่งไปพอเราทําน้อยลงเช่นเราจะทำแสนหนึ่งคนอื่นเข้ามาขอร่วมสักห้าหมนเราก็ได้ทําแค่ห้าหมื่นเราก็เลยได้ทําบุญครึ่งหนึ่งแทนที่เราจะได้แสนหนึ่งนอกจากว่าเราตั้งใจจะทำแสนหนึ่งแล้วคนอื่นมาร่วมก็ให้เขาร่วมแล้วก็แสนหนึ่งเราก็ยังทําอยู่ไม่ลดอย่างนี้ใครจะมาร่วมเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรการทําบุญ จะได้ผลมากน้อยอยู่ที่เงินทองที่เราเสียไปถ้าเราเสียมากบุญก็มันก็มากตามจํานวนเงินที่เราเสียไปนั่นแหละดังน้นมันไม่เกี่ยวกับการทําให้มีอายุยืนหรืออายุสั้นคนจะอายุสั้นหรืออายุยืนนี่มันมีเหตุหลายอย่างด้วยกันบุญกรรมก็มีส่วนหนึ่งคนที่ทําบุญมามักจะมีอายุยืนยาวนานกว่าคนที่ทําบาปแต่บางทีคนทําบุญอาจจะตายก่อนคนทําบาปก็ได้ พอมันอาจจะมีอุบัติเหตุมีสิ่งที่สุดวิสัยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญของบาปที่มาทําให้ตายได้เหมือนกันคําถามจากคุณชนาทิพย์เวลานั่งสมาธิให้ดูที่ลมเพ่งไปที่ลมอย่างเดียวเลยหรือให้รู้ตัวทั่วพร้อมมีสติอยู่ที่ลมเข้าออกครับเวลานั่งสมาธิมันจะสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ไม่ลาคาญ นั่งไปได้เรื่อยๆจนถึงเวลาซัก30สิถึงสิบนาทีมันก็อยากจะออกแต่ถ้าอยู่ต่อก็อยู่ได้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับถ้าอยู่ได้ก็อยู่ต่อไปดูลมต่อไปดูให้จนกระทั่งทนไม่ไหวหรือมันรวมลงไปถ้ามันรวมแล้วมันสงบมันก็จะนั่งได้สบายไปงานถ้ามันไม่สงบเดี๋ยวมันทนไม่ไหวมันก็ต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเราก็มาเจริญสติใหม่มาพุทโธมา ตั้งสติใหม่แล้วพอถึงเวลาก็กลับไปนั่งใหม่คำถามจากคุณแอมถ้าเกิดมีคนมาทำร้ายเราแล้วเราเอาโหสิกรรมให้ชาตินี้ไม่ถือโทษโกรธเขาคิดซะว่าเราเคยทำเขามาก่อนอย่างนี้จะต้องกลับมาชดใช้กันไปมาหรือเปล่าคะหรือยุติแค่ชาตินี้สำหรับเราก็คงจะไม่มีอะไรกับเขาแต่เขาอาจจะต้องไปถูกคนอื่นทาก็ได้เพราะบาป ท, ที่ก็ทำไว้นี้มันยังมีผลอยู่ แต่จะไม่เกิดจากเราเพราะเราเอาโหสิเขาแล้วคำถามจากคุณพิพัฒน์ผมนั่งสมาธิผมจะได้บุญไหมครับเพราะสี่ห้าผมไม่ครบครับถ้าสี่ห้าไม่ครบนั่งสมาธิมันก็คงจะไม่ได้ผลเพราะจิตมันจะสงบยากคนที่ทบาบาป น, นี่จิตมันจะวุ่นวายมันจะทำให้สงบยากดงนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิให้สงบได้ต้องศีลต้องบริสุทธิ์ก่อน ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนคำถามจากคุณแอนานๆทีนานๆ ท, ทีผมจะดูดบุหรี่ถ้าไปเจอกวนเพื่อนแค่ดูดบุหรี่นะครับไม่ได้ดื่มของมึนเมาเพราะผมเห็นว่าไม่ผิดศีลเห็นพระอริยะเจ้าหลายองค์ก็สูกไม่น่าจะบาปแต่พอผมเจ็บคอก็ไปขอยาแฟนกินแฟนเป็นเพศสัต์แฟนผมบอกว่าทาร้ายตัวเอง ทำไมทำทำให้มันบาปหนะักผมเลยมาคุ้นคิดเออหน้าคิดนะขอถามพระอาจารย์ครับดูดบุหรีบาปไหมครับออดูดบุหรีไม่บาปหรอกแต่มันอาจจะเป็นโทษกับร่างกายของเราถ้าถ้ามันดูดมากเกินไปถ้าดูดพอหอมปากหอมคอวันละมวนสองมวลนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็อย่าดูดด้วยความอยากถ้าหยุดด้วยความอยากมันจะติดพอติดแล้วมันก็จะทุกเวลา จะดูดแล้วดูดไม่ได้เช่นเวลาเจ็บคอนี่ก็ดูดไม่ได้งั้นก็ถ้าเราจะสูบสูบด้วยโดยไม่มีความอยากก็ไม่เป็นไรเช่นมีใครก็หยิบมายื่นให้เราสูบ เ, เราก็สูบไปมวน อ, อย่างนี้แต่อย่าไปสูบเพราะความอยากเพราะสูบด้วยความอยากแล้วมันจะติดแล้วมันจะสูบมากแล้วมันก็จะทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้ แต่ถ้าสูบพอหอมปากของคอมวนสองมวนอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหมดแล้วค่ะหมดแล้ ว, ลวเลย อ, อว่ามาถามคว่าอาวิชชาครับอยากจะทราบความหมายครับอาจารย์ชี้ทิศวิชาแปลว่าความรู้อวิชชาก็คือความไม่รู้ อ, อความไม่รู้ที่นี้ไม่รู้อะไร ก็ไม่รู้สุขรุ้ทุกว่าเกิดจากอะไรเข้าใจไหมถ้ามาศึกษาธรรมะก็จะรู้ว่าสุขทุกเกิดจากอะไรสุขเกิดจากการไม่มีความอยากทุกเกิดจากการมีความอยากถ้าอยากจะสุขก็ตัดความอยากไปที่มาปฏิบัตินี้ก็เพื่อมาให้รู้ว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขใจเราก็ต้องตัดความอยากไป ถ้าเราไม่มีความอยากแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะมีแต่ความสุขถ้าเรามีความอยากใจเราจะมีแต่ความทุกข์จะไม่มีความสุข <c oughs> พอเรารู้เราก็จะมีวิชาคือมีธรรมะธรรมะนี่มาเป็นตัวแก้อวิชาอาวิชาก็คือคนที่ไม่มีการศึกษาพอไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือก็มีความรู้ขึ้นมาก็กลายเป็นคนฉลาดขึ้นมา วิชาก็คือคนโง่คนที่มีวิชาก็คือคนฉลาดอยากจะฉลาดก็ต้องฟังเทศฟังธรรมถึงจะมีวิชาเพราะว่าวิชาทางพุทธศาสนานี้เป็นวิชาที่สอนเรื่องสุขเรื่องทุกข์จริงๆวิชาทางโลกนี้ไม่ได้สอนต่อให้เป็นด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์มาก็ยังทุกข์ได้อยู่เพราะยังไม่รู้ต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ว่าคือความอยาก แต่ถ้ามาฟังธรรมะเลนธรรมะเนี่ยจะรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากแต่รู้อย่างเดียวก็ยังไม่พอรู้แล้วก็ต้องไปหยุดความอยากให้ได้ถึงจะเกิดผลขึ้นมาถ้ารู้แล้วยังไปทำตามความอยากอ ย, กอยู่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากแล้วต่อไปจะไม่ทุกข์กับอะไรความแก่ก็ไม่ทุกข์ความเจ็บก็ไม่ทุกข์ความตายก็ไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรายังหยุดไม่ได้ยังอยากให้มันไม่แก่อยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายอยู่การที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องมาหยุดใจมานั่งสมาธิทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วมันก็จะหยุดความอยากได้ เข้าใจไหมใช่างว่าถ้าเกิดจะให้ผ่านาวิชาได้ก็จะต้องแบบทำจนครบแบบว่าทั้งหมดความอยากอาหมดกวามอยากสามตัวเนี้ยกามาตฐานหาภาวตฐาหาวิภาวะตัาห า, ะะหาก็ อ, อยากดื่มกาแฟก็เลิกดื่มก็ อ, อยากเที่ยวก็เลิกเที่ยวเก็เอยากจะมีแฟนก็เลิกมีแฟนต้องเลิกหมดความอยากต่างๆเราจะได้ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ ต่อไปก็ถ้าในเคสที่ว่าเราทราบว่ า, าสีนห้าอย่างเช่นข้อการดื่มสุราของคนเมาเนี่ยครับมันมันเป็นมันผิดศีลแต่เราก็ยังทำอยู่กับคนที่เขาเขาไม่ทราบครับว่าตัวเนี้ยมันผิดสีนเนี่ยการที่เราจะได้รับผลของการกระทำเนี่ยมันจะเท่ากับคนที่ที่รู้ว่าผิดสีนกับคนที่ไม่รู้เนี้ยเท่ากันไหมครับผลเท่ากันถ้าทาผิดมันก็ผิดเท่ากัน รู้แลไม่รู้ก็ผิดเท่ากันต่างงงที่ว่าคนรู้นี่ยังมีโอกาสที่จะเลิกได้แต่คนที่ไม่รู้เขากอาจจะไม่เลิกเขาก็ทำของเขาไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่รู้เหตุของปัญหาของเขาว่าเกิดจากการดืม่มโซดาคนที่รู้เหตุว่าปัญหาเกิดจากการดืม่มโุดาถ้าก็อยากจะแก้ปัญหาเขาก็ไปเลิกดื่มโุรายนรู้ดีกว่าไม่รู้ เแต่ว่ารู้แล้วยังเลิกไม่ได้ก็ยังไม่เกิดประโยชน์เท่านั้นเองแต่มันก็เป็นจุดที่จะนำไปสู่การกระทาต่อไปเมื่อเรารู้แล้วว่าไฟมันจะไหม้บ้านเรายังจะปล่อยให้มันไหม้บ้านเรารู้เปล่าใช่ไหมคนที่ไม่รู้มันก็ ไ, มไหม้ไปเลยเวลาไฟมามันก็ไหม้เลยแต่เรารู้ล่วงหน้าว่าไฟมันจะไหม้เราก็เตรียมเครื่องดับเพลิงไว้เลยเตรียมน้าไว้ใช่ไมพอไฟลุกเราก็ใช้น้าดับได้ทันท่วงที ก็ดีตรงนี้ดีตรงที่ว่ารู้ดีกว่าไม่รู้คนที่ไม่รู้พอถึงไฟไหม้ก็ไม่มีอะไรเตรียมตัวไว้เลยก็ดับไม่ได้ที่อยู่ที่ว่าเราจะเตรียมตัวหรือไม่เตรียมตัวหยุดเดิมสซลาหรือไม่ถ้าเราไม่เตรียมตัวมันก็เหมือนกับคนไม่รู้อยู่ดีรู้ก็เหมือนกับไม่รู้ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ารู้แบบนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้แล้วต้องนําพาไปสู่การยุติการกระทําที่ไม่ดีนั้นเสีย เคยพาคุณแม่มากราบพระอาจารย์นะครับที่เคยเรียนว่าตัดสินใจว่าจะบวชนะครับก็สรุปแล้วว่าจะบวชกับอยู่กับพระอาจารย์นิพนธ์ที่วัดศาสนาน้อยจันทร์พเดชาไส้ดีดีไปอยู่วัดอย่างนั้นดีก็น่าจะช่วงประมาณปลายปีเนี้ครับอนุทะจะเรียนถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการพวกบัญชีธนาคารอะไรเงี้ยสำบพระเนี <sh> <Ps>. ่ยจำเป็นต้องมีนะครับ อ, อ, อ๋อ<ะ>ถ้าเราบวใหมานี่เราคนไม่มีอะไรเลยแต่บวชไปแล้วต่อไปมันมีมาเองก็นั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนที่เราบวชนี่เราไม่ควรจะมีเงินติดตัวไปเลยทิ้งไปให้หมดเลยตลาดให้หมดไปที่นี้มันจะแบบมันเดี๋ยวมันจะทำให้เรากังวลเป็นห่วงใหญ่อยู่แต่ถ้าเราบวชไปแล้วมีมีญาติโยมศรัทธาก็จะมาถวายทีหลังนี้ก็เป็นเรื่องของเราเราจะเก็บไว้ก็ได้ไม่เก็บไว้ก็ได้ ถ้าเรารู้ว่าเก็บไว้แล้วทำให้เป็นภาระทางจิตใจเราก็อย่าไปเก็บไว้แต่ถ้าเราคิดว่าเก็บไว้เพื่อทำประโยชน์สร้างวัดสร้างกุฏิอะไรต่อไปมันมีการจาเป็นจะต้องใช้แนะโอกาสต่อไปก็เก็บไว้ได้แต่อย่าเอามาใช้ตามความอยากก็แล้วกันต้องระวังอาจจะให้มีใบยาววัจกรอ่าใช่แล้วเราต้องเราต้องระวังด้วยว่าเราจะใช้เงินตามความอยากหรือไม่ถ้าจะใช้เงินตามความอยากก็อย่าไปมีมัน แต่ถ้าใช้ตามความจําเป็นก็ใช้ได้เอ็นต่อไปกุติพังอะไรเงี้ยกุติต้องซ่อมมีเงินมันก็ดีใช่ไหมมันจะได้ไม่ต้องไปรบกวนญาติโยมไปขอเขาแต่ถ้าไม่มีก็ต้องทนอยู่ไปตามสภาพไปก็ไม่เป็นไรเป็นภาพเนยไม่ต้องมีเงินก็ได้ถ้าบวชใหม่ๆอย่าไปมีเลยดีกวา่าเป็นหลวงตาหลวงปู่หลวงตาแล้วจะมีเงินไม่อีกเรื่องหนะึ่งละบวชใหม่นี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทองอย่าดีกว่า ถ้าชนถ้าเกิดอาภาษ์อะไรเงี้ยก็คือมันไ ม, ไม่ต้องกลัวละ ม, มีมีญาติอยู่มีเป็นพระนี่เขามีคนดูแลทุกอย่างโรงพยาบาลก็ฟรีายาก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดนะครับช่วงที่พระอาจารย์อยู่กับหนงตาที่วัดบ้านตากพระอ า, าจารย์นี่คนอยู่ช่วงนั้นได้ไหมครับท่านไม่ก็อยู่ที่วัดตาในช่วงที่เราอยู่นะท่านอยู่กับพระอาจารย์รูปอื่นจําไม่ได้ท่านอยู่กับใครก็มีหลวงปูล่ลีช่วงเอา่า รู้จักท่านเคยเห็นท่านเคยไปวัดฝ่านั่นต่าแต่ท่านไม่ได้ไปอยู่ประจําเคอ ย, ยพบปะกันรู้สึกพรรษาจะเท่ากันตั้งแต่ท่านบวชก่อนเราก่อนวันอัอนนี้พรรษาท่านสี่สิบครับท่านบวชตอนอา ย, ยุ29่สิบเ้ ป, ประมาณหกก้าครับพอสเท่าไหร่จำได้ไหมปีที่ท่านบวชปีท่านบวชท่านเปิดปี90้น่าจะประมาณปีหนึครับ ปีหนึ่งเก้านะครับปีหนึ่งใช่ครับประมาณปีหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าช่วงไหนครับท่านหนึ่งเก้าก็หลังเราเราบวชหนึ่งแปด 18, แต่เราจาได้เราเราถือท่านเป็นอาวุโสกว่านะแต่ไม่รู้จําไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้เจอกันนานไม่ได้กราบกันมานานก็นเลยไม่รู้ว่าใครแก่กว่าแต่เราบวชหนึ่งแปด 18. ถ้าท่านบวชหนึ่งเก้าท่านก็อ่อนกว่าเราบวชบวชหลังเราไม่มั่นใจว่าท่านเกิดปีแปดเก้าหรือเก้าสือนะค ก็ไม่เป็นไรนะของนี้เจอกันถามกันได้แต่ก็ตอนที่ท่านบวชเนี่ยท่านบวช อ, อะไรยู่ยี่สิ้าแล้วก็บวชยี่สิบเจ็ดโอเคดีแล้วละไปบวชต้องไปอยู่วัดป่าที่มันไกลๆบ้านอยู่ที่นี่มันใกล้บ้านแล้วก็ <c oughs> วัดนี้ก็เป็นแบบครึ่งป่าครึ่งบ้านมันก็เลยมันก็อาจจะไม่ เหมาะกับผู้ที่เริ่มบวชเพอเดี๋ยวไม่รู้สับสนไม่รู้จะเอาบ้านดีเอาป่าดีดีก็มีเหมือนเป็นพี่ที่เคารพกันขึ้นบวมื่อปีที่แล้วได้พรรษาเนี่ยครับเออดีอยวท่านท่านจท่านนี้ได้ยินว่าที่นั่นก็เป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะสงบอยู่ห่างไกลก็มีพระต่างชาติหลายรูปมีพระอินเดียอยู่รูปไหนมัน้ง ไม่มีครับตอนนี้มีแคนาดาสองรูปแคนาดาเ่นแขกเป็นเชื้อชาเชื้อแขกพระอาจารย์คีด้าใช่ไหมพระอาารน่าจะมาจำมายจากช่วนที่ก่อนเข้ามาสาท่านยังอินเดียครับแล้วทุกทจะมาจำด้วยแล้วติดต่อกับท่านอยู่แล้วก็มีชาวเนปาลเพิ่งจะมาขอบวชอีกหนึ่งรูปครับก็พระอาจารย์คีด้าเป็นผู้รับรองมาก็ตั้งใจจะบวชยาวก็ดีไปบวชที่นั่นนะประมาณ ถ้าตัณหานี้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองลูอะแ่ถองตัณหาต้อยิ่งห่างไกลบ้านเท่าไรยิ่งดีใกล้บ้านเดี๋ยวคนที่บ้านก็จะมาเยี่ยมแล้วเดี๋ยวก็ทําให้เกิดความความอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้แล้วไม่ก็อีกที่คิดจะเลือกก็วัดแสงธรรมวังเขเขียวครับพระอาจารย์ส่งพาครับเห้รบมาตอนค่อนข้างไกลบ้านใกล้บ้านแล้วคนเยชอะครับคนเยอะด้วยต้องไปวัดไกล ยัดีกว่าว่าทางญาติๆก็อยู่อุดรด้วยพอออ่อเป็นคนอุดรนะออก็ดีนะตัดสินใจถูกแล้วนะพยายามตั้งใจเมื่อบวชแล้วก็ต้องทำหน้าที่เขานักบวชให้เต็ม ท, ที่มันจะได้ไปรอดถ้าทำแบบครึ่งๆึ่งกลางๆนี่เดี๋ยวมันจะไปไม่รอดเอาจริงเอาจังสู้ไม่ถอยพอดีเมื่อวานผมไปกล่า ของพี่ที่ที่รู้จักกันนะครับที่ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปูชาคือไม่ใช่ลู้ศิษย์ท่านบวชที่วัดหลวงปูชาที่ที่วัหนองปาโพท่านก็พรรษามันสิบกว่าพรรษาท่านก็บอกว่าถ้าไม่ใช่บวชก่อนเข้าพรรษานี้แล้วอ่ะก็แนะนําว่าให้รอไปจนก่อนเข้าพรรษาหน้าไปเลยเลยไม่จำเป็นก็่จำเป็นไ่จเป็นทำไต้องรอถ้ามันราพร้อมเมื่อไหรก็บวชไปเลยท่านพูดทํานองว่าเหตุของนี่คือถ้า การบวชช่วงก่อนเข้าพรรษากับการบวชเช่นผมจะบวชปลายปีเนี่ยครับมันจะต่างกันแต่ว่าจนกว่าจะเข้าพรรษาเนี่ยทําให้บางทีจิตเราจะอาจจะแพ่อยากสึกได้อะไรเงี้ยครับไม่เกี่ยวผมก็คิดว่าไม่เกี่ยวมันอยากจะเสกมันเึกได้ทุกวันน่ะนอกพรรษาในพรรษาเกิดบรรยายจะเสกมันก็เึกได้ที่มันอยากจะเสกเพราะมันไม่ปฏิบัติไงมันปล่อยให้ใจ ฟุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆก็เลยอยากจะเสร็กถ้าตั้งใจปฏิบัติไม่ปล่อยให้ใจมีอารมณ์กับเรื่อง ต, า ต, าตา่างๆมันไม่เสกหรอกไม่เกี่ยวกันครับพระอาจารย์ที่คนท่านก็บอกให้ผมบวชในภรษา น, นี้เลยว่าพอดผมยังเคลียอะไรไม่ได้ยังลอยบวชเมื่อไหร่ก็ได้ในภรษานอกภาษาขอให้มันพร้อมเมื่อไหร่ก็บวชไปเลยสําคัญที่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติท้านนั้น บวชแล้วไม่ปฏิบัติบวชช่วงไหนเดียวมันก็เสด็จได้ทนั่นแหละนะ เ, เดีลยวละไปเอาหนังสือประวัติหลวงปูข่ขาวไปอ่านดิจะได้มีเนี่ยเป็นตัวแบบฉบับว่าท่านปฏิบัติอย่างไรหลวงตาเป็นคนเขียนเองได้ไปแล้วยังอไปอซีดีไปถ้าอยากจะฟังนี่มีอีกสองแผ่นตรงนี้ มีปัญห า, ม, าห ม, มีคําถามไหมคะค่ะคำถามจากคุณสลายุทธพระที่วัดทำวัดเช้าทําวัดเย็นตอนกี่โมงครับและต้องและก็เป็นผ้าขาวกี่วันถึงบวชได้ครับที่วันนี้เลยค่ะเออที่วันนี้บวชง่ายเองแต่ว่าต้องรอวันที่เขาจัดให้บวชเออที่วันนี้จะจัด บ, บวชหมู่กันก็ต้องรอเวลาที่มีคนมาสมัครบวชเยอะๆแล้วเขาก็จะให้บวชกันทีหนึง ดังก็นั่งไปติดต่อถามพระที่เขาดูแลเรื่องบวชว่ามีวันบวชหรืยอยังถ้ามีแล้วเขาก็ให้มาอยู่ก่อนเจวันก่อนจะบวชนุ่งขาวหงษ์ขาวมาปฏิบัติเหมือกับเป็นพระอยู่ร่วงหน้าก่อนออกไปช่วยพระบินดาบาดกินเมื่อเดียวลงบวชไหว้พระสวดมนต์นพร้อมกับพระทำทุกอย่างเหมือนกับพระเพื่อจะทดสอบดูว่าจะทำได้ไั้มจะอยู่ได้ไหยแล้วพอพอถึงวันบวชก็บวชได้เลย ทีวันนี้ก็ตีสี่ก็จะตีะระฆังให้ลงโบสถ์แต่เขาจะเริ่มสวดประมาณาตีสีกว่าให้ไปนั่งสมาธิก่อนแล้วก็พอตี 4, <Okay. S 1> สีครึใช่ไหมเดี๋ยวสีครึงก็จะสวด <Okay. S 1> มนต์กันตอนเช้าเสร็จส ว, ด, สวดเสร็จก็ไปเตรียมตัวบิณฑบาทตทายาทโยมก็ไปเตรียมตัวจัดอาหารมาใส่บาตรส่วนตอนเย็นก็ลงโบสถ์ตอน6กโมงเย็น ไว้พราสวนนตนั่งสมาธิประมาณทุ่มครึ่งก็เลิกก็มีกิจวัตรสองเวลาในวัดนี้คำถามจากคุณชัดพิมลข้อที่หนึ่งการที่ลูกนั่งภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสักพักลมหายใจจะสั้นลงจนเหมือนจะหายใจไม่ออกและเหมือนคำมรริกรรมพุทโธจะไม่มีลูกก็เลยไปดูลมหายใจแทน ดูที่ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆจนมันถอนเองอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเจ้าคะและต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็ดูไปเรื่อยๆอย่าอย่าอย่าให้มันถอนออกมาให้มันรวมเข้าไปถ้ายังไม่รวมก็ดูต่อไปพยายามดูเฝ้าลมไปจนกว่ามันจะรวมวนั่งต่อไปไม่ได้ก็เลิกแล้วก็พยายามกลับมานั่งใหม่กลับมาสร้างสติให้มีมากขึ้นเวลาที่ไม่นั่งก็ให้มันพุโทโธพุโทโธ หรือหมั่นดูการกระทําของร่างกายจดจ่ออยู่ของการทํางานอย่าไปปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ากําลังทํานั่นทนํานี่หรือให้รู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแต่อย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ถ้าจะคิดกด้คิดกับเรื่องที่จําเป็นเรื่องงานเรื่องการเท่านั้นแล้วพอมีเวลานั่นก็กลับมานั่งดูลมต่อ กาจิตมันจะวุบลงไปเน่งสงบก็ถึงจะได้ได้สมาธิขึ้นมาข้อที่สองถ้าให้ผู้ป่วยนะับฟังพระสูตรก่อนตายผิวพรรณจะเป่งปังจริงหรือไม่เจ้าคะก็ลองดูซิเน่ยป <c oughs> <c oughs> ัจจุบันยังไม่ตายนั่งยังไม่เปล่งปั่งเวลาจะตายก็นั่งมันเป่งปลั่ง <c oughs> ให้มันรู้ไปเลยการฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ให้นั่นกายเป่งปลังให้จิตใจเปล่งปลัง จิตใจมีแสงสว่างแห่งธรรมประครับประคองใจไม่ให้ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายคำ ถ, ถามจากคุณธามนในแต่ละวันพิจารณาแล้วตัวเราก็รักษาสีลห้าครบแต่ถือว่าเป็นการรักสินสัรักษาสี่แล้วใช่หรือไม่คะหรือจำเป็นต้องกล่าวอาราธนาสินในแต่ละวันก่อน อ, อ่าไม่ต้องกล่าวแล้ว าราธานาศีนี้เก่าหนึเดียวก็พอต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีห้าไปตลอดชีวิตนี่ก็จบละแล้วก็ต้องรักษาให้ได้ทั้งเองการอาราธานานี่เป็นเหมือนกับเป็นการผูกใจไว้ว่าเราทำสัญญากับตัวเราเนะีว่าต่อไปนี้เราจะรักษาศีห้าแล้วนะเราจะไม่เบี้ยวนะเราจะไม่โกหกตัวเองนี่คื อ, อาราธานาคาถามจากคุณแอม ถ้านั่งสมาธิแล้วระลึกถึงการวางร่างกายเช่นถอดเล็บถอดผมถอดเนื้อหนังกระดูกผมอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาร่างกายใช่ไหมคะรู้สึกว่าร่างกายของเราไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าคะ่ะอะ น, นั้นก็เรียกว่าเป็นการพิจารณาร่างกายเป็นปัญญาแต่จะปล่อยได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่ามีสมาธิหรือไม่มีถ้ายังไม่มีสมาธิก็นั่งสมาธิก่อนอย่าเพิ่งไปพิจารณา แต่นั่งถ้านั่งสมาธิก็อย่าไปพิจารณาให้อยู่กับลมอย่างเดียวหรืออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวให้จิตรวมเป็นสมาธิก่อนพอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาค่อยมาแยกร่างกายให้กายเป็นดินน้ำลมไฟไปต่อไปเราจะได้ไม่ทุกข์กับร่างกายถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้คำถามจากคุณจีรศัสดิ์ตอนนี้กับผมรับราชาการอยู่ที่ขอนแก่นครับ และได้ปฏิบัติภาวนาพร้อมกับการเดินจงกรมพิจารณาตามความเป็นจริงมาตลอดแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่างานที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ได้เกิดประโยชน์ในชีวิตเลยและการพูดสนทนากับคนอื่นก็น้อยลงจะพูดเท่าที่จำเป็นและเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายในการทำงานที่ทำอยู่และสังคมที่มีแต่การโกหกหาความจริงไม่ได้ขอพระอาจารย์แนะแนวทางด้วยครับ ก็กำลังก้าวไปสู่การไปบวชไงเมื่อเราเบื่อสังคมเบื่อเบื่อกับการหาความสุขทางร่างกายเราก็ไปหาความสุขทางใจเมื่อเราอยากจะหาความสุขทางใจเราก็ไปบวชกันต่อไปก็คงจะได้บวชคำถามจากคุณมงคลเคยมีพระท่านหนึ่งท่าน ท่าเล่าว่าท่านฟังเพลงจนจิตสงบรวมลงการพิจารณาแบบนี้ทําได้จริงหรือไม่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพิ่งได้ยินวันนี้แหละมาแล้วมาแล้วแหละมี่กายอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ